บทภาชณีปาจิตตี550ร้ิกษุทําจีวรเท่าสุคตจีวรที่ตนทําค้างไว้ต่อจนสําเร็จ ด, ด้วยตนเองต้องอบัติภาจิตตีภิกษุใช้ผู้อื่นให้ทําจีวรที่ตนทําค้างไว้ต่อจนสําเร็จ ต, ต้องอบัติภาจิตตีภิกษุทําจีวรที่บุญทําค้างไว้ต่อจนสําเร็จด้วยตนเองต้องอบัติภาจิตตี ภิกษุใช้ผู้อื่นให้ทําจีวรที่บุญทําค้างไว้ต่อจนสําเร็จต้องเอาบัตปรปาจิตตีทุกกฎภิกษุทําเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทําเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นต้องอาบัติทุกกฎภิกษุได้จีวรที่บุญทําสําเร็จแล้วมาใช้สอยต้องเอาบัตรทุกกฎ